พร้อมจะฟังกันเรื่องอะไรวันนี้ดูมีคนอยากให้เทศเรื่องสังโยชน์สิทไม่รู้ว่าเนื้อหามันจะหนักไปด้วยเปล่าเขามาสังโยชน์สิทธิ์คจาร ถ้าสังโยติสิ้จนจบแล้วมใช้ยานาน<อ>าก็ไม่นานรัฐบาลก็ไม่นานเอาแค่ว่าสังโยตสามมันก็ถึงสยนลเอลกๆสามวันนีให้สนัา ส, สามารถพูดได้แบบสังเขปก็ได้พูดแบบานกลางก็ได้พูดแบบรายละเอียดก็ได้พูดแบบพ้นจากรายละเอียดก็ได้เ่ก่อนอาาทยพูดถึงเรื่องอนไ์สังโยต้นะ ตรรมสกยัติทิฏวิจิกริชฌาสีระพตะปรามาตอย่างเงี้ยเป็นภาษาที่ไม่ค่อยคุ้นหูยังไม่คุ้นจะได้ยินจะาแรกก็เลยจะติดถามคุณน้อคสังโยคืออะไรมันก็ละล้าอะไรก็เลยทั้งนั้นสังโยโยชนะหรือว่าภาษาบาลีมาจากศัพท์ไหนก็ยังไม่ ยังไม่ได้ไปตรวจสอบสัโยชน์ช้แล้วเหรอเครื่องผูกใจสัตว์ในวัตตาสงสารในสัตว์โลกเนี่ยมีอยู่สิบประการแล้วสิ่งที่เราจะต้องตัดเครื่องผูกก็ตัดในสิบประการนี้พระเจ้าทรงตัดไว้ในเครื่องผูกใจสัตว์สิบประการนี้ว่า บุคคลผู้สามารถตัดเครื่องผูกเ<ะ>บื้องต่ำามประการคือสกายทิธิเป็นเครื่องผูกอันที่หนึ่งว <Okay. S 1> ิจิกิช้าเป็นเครื่องผูกอันที่สองศีลพัตปรมาตเป็นเครื่องผูกอันที่สามหาไทรตัดเครื่องผูก3เบื้องต่ำนี้ได้บุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าโสดาบัน คือจะว่าอย่างเงี้ยเป็นโสดาบันบุคคลเมื่ได้ชื่อว่าโสดาบันบุคคลคือผู้กระทําพันธิภารให้แจ้งครั้งที่หนึ่งหมายว่าจิตปกลงสู่กระแสพันธิภารการทำพันธิภารให้แจ้งในจิตเมื่อพันธิภารแจ่มแจ้งในจิตความเห็นผิดในกายก็หายไปคือสกายติถิซึ่งเป็นเครื่องผูกอันนี้สกายทิถิแปลว่าความเห็นผิดในกายเป็นเครื่องผูกใจสัตว์ใจมนุษย์ คว่าสัตว์นี่รวมถึงมนุษย์เทวดาพรหมเปรดพีปีศาจสุรกายเ ร, ยราชาฉันรกความเห็นผิดในกายนะหากพระโสดาบันผู้ทําพระนิพพานให้แจ้งในกระแสรแรกแห่งแห่งจิตมรรคจิตคนผู้นั้นจะสามารถตัดเครื่องผูกคือความเห็นผิดในกายความสงสัยเรียกว่าวิจิกิจชา้าในก็ ความหลงผิดอย่างงมงายคือเรียกว่าศีลประตปรามากการยึดถือผิดอย่างงมงายในสิ่งที่ตนเองกระทําในสิ่งที่มีการประพฤติประพฤติในวัดปฏิบัติต่างๆที่เป็นความหลงผิดอย่างงมงายก็จะถูกถูกละถูกตัดถูกคายไปหากมองถึงเครื่องผูก3าประการนี้ในจิตของปุถุชนจะมีเครื่องผูกสามประการนี้อยู่ตลอดเวลา ระดับปุถุชนนะเครื่องผูกนี้มีอยู่ตลอดเวลาในจิตแต่ปุถุชนไม่ได้ตัดเครื่องผูกสามประการนี้ก็เลยไม่สามารถกระทำธนิพนธ์ให้แจ้งขึ้นมาในกระแสแรกของจิต mm. เครื่องผูกสามประการนี้ผูกใจของมนุษย์มาเป็นระยะเวลา ย, ยาวนานและเครื่องผูกสามประการนี้เองทำให้มนุษย์ไม่รู้จัก ที่สุดแห่งกองทุกหรือว่าไม่รู้จักที่ยุติแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของปกชาติว่าจะยุติในการเวียนว่ายตายเกิดให้กับตัวเองอย่างไรเพราะไม่เข้าใจว่าการยุติการเวียนว่ายตายเกิดคือการยุติทุกข์ไม่ต้องไปทุก์กับความมีกายมีใจอีกไม่เข้าใจแต่เข้าใจว่าเราจะอาศัยความสุขที่มีในกายในใจนี้ทําให้ตัวเรา ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแม้ทําบุญก็ปราทะนาการเกิดขึ้นบนสวรรค์หรือบนชั้นที่สูงสูงและหากมาเป็นมนุษย์ก็ป่าทะนาที่จะเป็นมนุษย์ที่อยู่ในฐานะที่ดีปราทะนาอยู่ในฐานะที่มั่งมีสีสุขไม่ต้องการความยากลําบากการแสวงหาที่ยากลาบาก แล้ทุกคนก็ปถาถนากันมาเท่านั้นก่อนที่จะมาเกิดปถาถนาให้ได้เกิดที่ดีๆก็ทั้งนั้นแหละแต่ถามว่าเวลามาเกิดแล้วมันได้ที่ดีตรงตามที่ปรารถนาหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ตรงเพราะอะไรเพราะชีวิตไม่ได้เป็นไปตามความปาถนาแต่ชีวิตเป็นไปตามเหตุที่ได้กระทําเมื่อชีวิตเป็นไปตามเหตุที่ได้กระทําผลจะปรากฏก็ปรากฏขึ้นตามเหตุแห่งการกระทําของมนุษย์เอง ไม่มีใครบันดาลให้อยากจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรืออยู่ในตระกูลที่ร่ำรวยก็ต้องสร้างเหตุตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แต่นั่นไม่ใช่การดับทุกข์ให้กับตัวเองการอยู่ดีมีสุขอยู่ในตระกูลที่ร่ำรวยไม่ต้องลําบากในการแสวงหาไม่ใช่วิธีแห่งการดับทุกข์พุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนอย่างนั้นแต่พระองค์ทรงสอนว่าพระนิพพานเท่านั้นเป็นที่ดับทุกข์แต่หากเมื่อยังไม่ถึงพระนิพพาน ผลจากการปฏิบัติในการทําลายความเห็นผิดในกายคือทําลายสักยติทิฏฐิวิจิกริชฌาสีระภาษาปรามาัดซึ่งคือเครื่องผูกสาประการนี้หากไม่ถึงนิดพันิภัยังไม่รู้แจ้งพันิพนันบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําลายเครื่องผูกสามประการนี้ก็จะไม่ตกต่ําหรือไม่อยู่ในฐานะต่ําจะอยู่ในฐานะของผู้ดํารงอยู่ในหากเป็นเทวราก็เป็นมีที่ผสมบัติอันดีอันเลิศกว่า เทพพยาดาตนอื่นหากเป็นมนุษย์ก็อยู่ในตระกูลที่ดีกว่าคนอื่นนี่ยคือเขาเรียกว่าผลพลอยได้หรือว่าอานิสงส์นั่นเองอานิสงส์ที่เกิดจากการปฏิบัติเพื่อทําอะไรเครื่องผูกแต่เนื่องด้วยว่าเราไปไปจับเอาอานิสงส์ของการทําบุญกุศลทำคุณงามความดีตามหลักพุทธนานั้นเพื่อนําสู่การบังเกิดในทางที่ดีและคิดว่าความเป็นอยู่ในทางที่ดีนั้นจะทําให้ตนเอง มีความสุขความสบายเลือดประเสริฐปล่อคนอื่นคิดอย่างนั้นก็เลยปาราลบเหตุแห่งการกระทําบุญแล้วป่าถนาผลพระุทธเจ้าทรงบอกว่าการมุ่งทําบุญและป่าถนาผลเพื่อให้ได้ไปอยู่ดีมีสุขนั่นถือว่าเป็นการมีความมุ่งหมายผิดจากเป้าหมายแห่งพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าทรงสอ น, สอนการทําลายเครื่องผูก คือสาระสาคัญที่สุดในทางพุทธศาสนาการทําลายเครื่องผูกมันเป็นมูลเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงไม่มีมูลเหตุใดที่จะมาเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ให้กับมนุษย์หรือดวงจิตดวงใจทุกดวงที่เป็นไปในวัตาานั้นเท่ากับเครื่องผูกสามประการคือสกายทิทิวิจิกิจชาศีลปะตปรามามันเป็นชื่อชื่อของเครื่องผูกสกายติทิฏแปลว่าความเห็นผิดในกาย วิจิกิจช้าก็เป็นชื่อของเครื่องเครื่องผูกอันที่สองแปลว่าความลังเลสงสัยศีลพระตาปรามาศเป็นชื่อของของเครื่องผูกอันที่สามเรียกว่าการถือผิดอย่างงมงายเราก็มาดูว่าเครื่องผูกนี้มันผูกใจเราได้ยังไงเมื่อใดก็ตามที่เรามองเห็นกายว่ากายเป็นเราเราเป็นกายกายมีในเราเรามีในกายเรากับกายเป็นอันเดียวกันนั่นแหะคือเราถูกผูกแล้ว สากายติสิ 4, คือความเห็นผิดในกายนี้ผูกเราไว้แล้วกับกายเมื่อมันถูกผูกไว้เราก็ติดอยู่กับกายนี้เราต้องเข้าใจว่าเราต้องมีกายอย่างเงี้ยการเกิดคือต้องมีกายรองรับในที่ที่เกิดในที่ในที่ไหนบ้างที่ไม่มีกายมีที่เดียวคือพระนิพพานนอกนั้นเป็นที่ที่มีร่างกายหมดเลยเทวดามีร่างกายไหมมีพร ม, ม, มีร่างกายไหมมีเปรตมีร่างกายไหมมี เคยเห็นไหมไม่เคยเห็นรู้ได้ยังไงว่ามีพู้รเจ้าบอกว่ามีก็ <c oughs> <c oughs> มีนะใช่ไหมละ่ะรูปร่างของเตะร่างกายของเตะนรกมีร่างกายไหมมีเดราชานมีร่างกายไหมเราก็เห็นนะเดราชานมีกี่ชนิดนสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำาช่ไหมละ่ะก็กหลากหลายชนิดใช่ไมละ่ะ มีร่างกายมนุษย์มีร่างกายไม่มีทีนี้ร่างกายของมนุษย์ก็แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันตามกรรมแห่งการ ก, า ร, กระทำกรรมเป็นผู้จาแนกแห่งความเป็นอยู่ของชีวิตมนุษย์เพราะฉะนั้นแล้วพุทธเจ้าไม่ได้ต้องการหวังว่ามนุษย์เนี่ยทำบุญแล้วจะได้เกิดในที่ดีมีสุขเกิดอยู่ในสวรรค์พระองค์ไม่ได้หวังอย่างนั้นแต่พระองค์แสดงอริสง์อริสง์แห่งการกระทํากระทำอย่างนี้แล้วไปเกิดเป็นอย่างนี้พระองค์แสดงอริสง์ไม่คําว่าแสดงอริสง์ไม่ได้แสดงเพื่อให้เราไปยึดอริสง์ แต่ให้เราเห็นเครื่องเห็นว่าเพราะมีเครื่องผูกจึงจะต้องทําลายเครื่องผูกตรงเนี้ผู้ย่าต้องการให้เราทําลายเครื่องผูกเพราะอะไรหากเราไปอาหากเรามองธรรมเทศนาที่องค์ทรง ส, งสอนแล้วองค์แม้จะสอนอานิสงส์ของสวรรค์ก็ตามอานิสงส์ของความเป็นมนุษย์ที่อยู่ดีมีสุขก็ตามแต่นั้นไม่ใช่ประสงค์ความเป็นพุทธประสงค์ในทางพุทธศาสนานะองค์แสดงอานิสงส์เพื่อให้มนุษย์ได้เข้าใจ เหตุปัจจัยของชีวิตว่าชีวิตเป็นไปตามเหตุแห่งการกระทําไม่ได้เป็นไปเพราะการดนบันดาลของใครหรือพูดง่ายว่าเราไม่ได้ดีเพราะเราไปปารธนาอ้อนวอนร้องขอรอผลดนบันดาลอะไรประเภท น, นี้แต่เราจะดีได้เพราะเราสร้างเหตุแห่งการกระทําด้วยตัวของเราเองพวงจึงแสดงอนิสงฆ์แห่งเหตุการกระทําที่เรากระทาไปให้ทานก็ได้โอกะซับรักษาศีลก็พ้นจากอบายและไปสู่สุคติคือสวรรค์ที่เลิศประเสริฐที่ดีมีสมาธิก็ไปสู่ชั้นพรม มีปัญญาก็มีมีรู้วิธีอุบายแก้ไขทุกข์ให้กับตัวเองแต่ยังไม่ใช่ดับทุกข์ดับทุกข์คือต้องเข้าสู่พระนิพพานจึงจะเป็นที่ดับทุกข์ถ้าเรามองมองดูตามที่พงรงแสดงอนุบึดบุพิกถาคือการแสดงธรรมตามลำดับเราจะเห็นได้ว่าผู้ทธเจ้าทรงแสดงโทษของกรรมหมายถึงว่าไปอยู่บนเทวโลกก็เป็นกา ร, ร ม, มาสุขทิพย์อันเป็นทิพย์มนุษย์โลกก็เป็นกา ร, รมมาสุข อันเป็นของหยาบพร ม, มโลกก็เป็นการมาสุขอันเป็นทิพยไม่พ้นจากการพระองจึงแสดงโทษของกรมว่าเทวโลกหรือพร ม, มโลกหรือมนุษย์ที่อยู่สุขสบายก็ยังเป็นผู้ตกอยู่ภายใต้ห่วงแห่งทุกข์เพราะอะไรเพราะต้องแก่เพราะต้องเจ็บเพราะต้องตายเพราะต้องสแสวงหาเพราะต้องดิ้นรนดำลงอยู่โดยมีหิวรวยแค่ไหนก็ตามใช้ชีวิต อยู่ในโลกนี้ไม่หิวหนีได้ไหมไม่ได้หิวต้องกินไหมกินไม่ง่วงได้ไหมคนรวยเขาไม่ง่วงรวยแล้วไม่ง่วงไม่ได้เลเงินเงินก็แก้ไขให้ไม่ได้เลยไม่ได้เนี่ย ก, ก, ก็ก็ต้องง่วงก็ต้องนอนใช่ไหมล่ะเจ็บป่วยไหมเจ็บป่วยร <c oughs> ้อนไหมถูกความร้อนหนาวไห่ถูกความห น, นา ว, ก, ว, านาวก็มีความทุกข์เท่าเทียมกันกับคนจน ถูกต้องไหมไม่ได้แตกต่างกันแต่ฐานะความเป็นอยู่แตกต่างกันเท่านั้นเองแต่ความทุกข์เท่ากันคนคนจนตากตาทำทาการทำงานตากแดดอาบเหงื่อต่างน้นทำไล่ไถนาทุกข์ไหมทุกข์ถามว่าให้คนรวยมาทำอย่างนั้นเขาทำได้ไหมเขาก็ทุกข์เหมือนกันใช่ไหมอย่าว่าแต่มาตากแดดกลางไล่กลา ง, งานาเลยขนาดมีคนกลางร่มให้ก็ยังบอกว่าร้อนเลย เอาแลเทียบกับคนที่ตากแดดตากฝนทำการทำงานเ่ะคําว่าใครทุกกว่ากันเท่ากันเขาจะไม่เขาถูกร้อนนิดหน่อยเขาก็อยู่ไม่ได้แล้วเขาทนไม่ได้แล้วเขาจเปเ้อนั่นคือความทุกข์นะมีรถสิบคันทุกไหมโอ้โหควรจะใช้จะใช้คันไหนดีวันนี้นะคิดแค่คิดว่าจะใช้คันไหนดีก็ทุกแล้ว พอมันอะไรมันเสียมาซ่อมจะต้องทําการซ่อมก็ต้องทุกข์มาแล้วกลัวมันจะถูกขมโมยก็ทุกอีกแงรักษาอนุอะไรกเรียกว่ามีมันไว้ก็ต้องรักษามันใช่ไหมล่ะดูแลรักษามันก็ทุกอีกในการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติการมันจะมีเยอะแค่ไหนก็ตามอ่ะมันจะต้องมีความทุกข์อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้สอนเพื่อให้เราอะไรยินดีในอานิสงส์แห่งการกระทํา แม้ในเหตุแห่งบุญก็ตามแต่พระองค์ปัตถนาจะสอนให้พ้นออกไปจากกรรมมาสุขเหล่านี้มันมีสุขก็จริงอยู่มันเป็นกรรมให้ความสุขก็จริงอยู่แต่มันมีทุกข์เจือพนอยู่ในนั้นเพราะเมื่อใดก็ตามที่ไม่ได้รับความสุขตามความปาตธนาทุกแน่นอนอย่างเงี้ยจุดประสงค์ของพระเจ้าเพื่อทํำลายเครื่องผูกคือความเห็นผิดในกายเพราะนั้นที่เรามาทุกข์ก็เพราะเราเข้าใจว่าเราเป็นกายกายเป็นเราเรากับกายเป็นเดียวกัน เมื่อเรามีร่างกายเราจึงจะมีเราเราคิดว่าอย่างนั้นถ้าไม่มีร่างกายก็คงจะไม่มีเราคิดว่าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าถ้าร่างกายนี้ตายความเป็นเราก็ไม่มีแล้วสิแต่ปรากฏว่าเรามีใช่ไหมในภพหน้าชีวิตหลังความตายมีอยู่ใช่ไหมมีคือการขอตัวอีกในภพชาติให้มีรูปร่างตามกระบวนการแห่งเหตุวิบากที่เราได้กระทามีบุญมากก็มีรูปร่างเทวดา ก็ไปสบวยผลร่างกายเป็นเพียงแค่ที่เสบวยผลเราเป็นมนุษย์เรามาสวยผลัเห็นความเป็นมนุษย์ในชั่วคราวหนึ่งชั่วคราวเดียวไม่ได้นานแต่คนก็บอกว่านานโอ้เมื่อไหร่จะโตสักทีว่าตอนเป็นเด็กใช่ไหมเนี่ยพอโตขึ้นมาแล้วโอ้เมื่อไหร่จะเป็นผู้ใหญ่ดีว่าพอเป็นผู้ใหญ่แล้วโอ้เมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่อยู่นั่นเนี่ยคิดว่ามันนานจริงๆไม่นานตรงนี้ไม่ได้นานอาตมาเขายังคิดเมื่อไหร่จะตายสักทีว่าจริงๆก็ คิดไปอย่างนั้นแหละก็มีบางคนบอกว่าโอ้มันน่าจะตายได้แล้วเนี่ยร่างกายแก่ขคือมาเจ็บป่วยมาทําอะไรก็ไม่สะดวกไม่สบายทําอะไรก็ติดตขัดๆัดร่างกายก็อ่อนแรงอยู่หมดเลยมันก็ปลาบปลดิ้งความตายเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่จะตายมันมันตายเพราะมันเองถึงเวลาการตายไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องไปเรียกร้องหามันก็จะตายเพรามันดีหล่รตายนียแต่ ปัญหาไม่ดีที่ว่าเราแก่เราเจ็บเราตายปัญหาอยู่ที่ว่าเราไปสร้างรูปร่างกายใหม่ในภพหน้าชาติมน้าด้วยอำนาจแห่งปรฏฐานการที่เราสร้างภพชาติใหม่มีรูปร่างกายใหม่ในภพหน้าชาติหน้าด้วยอํานาจแห่งอุปาธานนี้เองปวงจึงต้องการที่จะแก้ไขจิตใจเราว่าเครื่องผูกที่มันผูกมัดจิตใจเราอยู่ให้แก้ไขออกหาเรามองเห็นว่ากายเป็นเราเราเป็นกายพวงให้พิจารณาแยกร่างกายในส่วนแห่งกาย พงศ์จึงสอนให้เราพิจารณากายยคตาสติอยู่เสมอกายยคตาสติคือให้มีสติเป็นไปในกายว่ากายเป็นที่อยู่เพียงแค่ชั่วคราวเป็นภาษากรรมฐานเขาใช้คําว่าเป็นศาราพักรอวันตายศ า, าลาล้างรอรอวันตายเท่านั้นเองและขณะที่รออยู่นี้ก็สร้างเหตุปัจจัยเพื่อที่จะสมผลใหตัวเองออกจากวัตฏะอย่าไปยึดศาราที่เรามาพักอยู่เนี่ยว่าเป็นตัวเอง ว่เป็นของเราพระพงจึงสอนที่ร่างกายเป็นธาตุสี่บ้างที่นะ้าร่างกายเป็นของปฏิกูลบ้านที่นะ้าร่างกายเป็นสิ่งอื่นนอกจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราพระพงจะเปรียบเทียบว่าประดุดดังบุคคลผู้ตัดกิ่งไม้และลากกิ่งไม้ไปกองสูงไฟรวงกันร่างกายเราเองก็เหมือนกันถูกความแก่ความเจ็บความตายลากไปทักจูงไปสุดท้ายก็ไปสูงไฟกองรวมกันกคือวันที่เผา ความแก่ความเจ็บความตายมันลากไปร่างกายเราก็ประดุดดังจริงไม้พวกนี้ไม่มีชีวิตจิตใจหรอกร่างกายไม่ดูเรื่องแต่จิตใจมันรู้จิตใจมารับทราบส่วนแห่งกายมันจึงยึดนี่คือความหลงของใจเี่ยเมื่อเป็นความหลงของใจใจก็ต้องแก้ไขความหลงนี้คือถอดเครื่องผูกออกจากใจผู้เจ้าจึงสอนพวกเราให้พี่น้ากายอยู่เสมอแห่ความเห็นจิตในกายผูกไว้เราไว้แล้วในชั้นชั้นแรกชั้นที่สองความสงสัยลังเล ความสงสัยลังเลนี้คือสงสัยลังเลว่าทางแห่งพุกขเป็นยังไงทางพลพุกขจะพนไปได้ยังไงพระนิพานมีจริงหรือเปล่าบาปมีจริงไหมบุญมีจริงไหมโลกหน้ามีจริงไหมนรกมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหมผลแห่งความดีความชั่วมีจริงไหมธาตุหันมีอยู่ไหมในโลกพระพุทธเจ้ามีจริงไหมอยู่ในโลกเปรตผีปีศาจสุรกายสัตว์ดิฉานสัตว์ดิฉันนี่เราเห็นอยู่แล้วเปรตผีปีศาจสุรกายเยเราไม่ค่อยเห็นเราก็คิดจะสงสัยอยู่ว่ามันมีจริงไหม ความลังเลสงสัยมันจะเป็นเส้นแบ่งระบางการที่เราจะกระทำความดีหรือความชั่วถ้าเรามีความเห็นว่าตัดความสงสัยไม่สงสัยว่าดีมีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงชั่วมีจริงเราก็สามารถเลือกที่จะกระทำดีหรือชั่วได้ด้วยตนเองเราสามารถที่จะพิจารณาในการรับผิดชอบตัวของเราที่เราจะกระทำเลือกที่จะกระทำเลือกที่จะกระทำว่าถ้าเราทําดีแล้วเราต้องได้ดีเราทําชั่วแล้วเราต้องได้ชั่ว หมายถึงว่าในขณะที่เราทำดีเราก็ต้องยอมรับผลดีที่เกิดขึ้นกับเราขณะที่เราทําชั่วเราก็ต้องยอมรับชั่วที่เกิดขึ้นกับเราไม่ปฏิเสธมันเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นความดีก็ล้วนแล้วแต่มาจากการทำดีของเร า, าเป็นความชั่วก็ล้วนแล้วมาจากการทําสิ่งที่ไม่ดีของเราเมื่อมเป็นอย่างนี้จะต้องไปแก้มันไหมต้องไปแก้กรรมไหมต้องไปสะเดาะกรรมไหมต้องไปนอนโลงโศกไหม ต้องไปบางสกุลเป็นบางสกุลตายไหมเนี่ยเห็นไหมนี่คือคนที่มีหลักความเชื่อที่ถูกต้องไม่ต้องไปลังเลสงสยัยเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่หมอดูทักมาตายหาแล้วชะตาชีวิตกูไม่ดีแล้ววันนี้หมอดูเขาทักมาก่อนที่จะไปดูหมอดูก็ก็ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้นะจะดีเลวร้ายอะไรไม่ได้คิดนะชีวิตมันไปตามเหตุของมันอยู่แล้วไงผ่านความยากลําบากแลน แ, แค้นแค่ไหนก็ผ่านมาได้แต่พอถูกทักทิ้ดเดียวใจไม่ดีแล้ว ใช่ไหมะแสดงว่าลังเลสงสัยเนี่ยในระหว่างความดีความชั่วถ้าเรามีความมั่นคงเชื่ออย่างชัดเจนเป็นฐานอยู่ภายในใจที่ตั้งมั่นอย่างแน่นอนอยู่แล้วว่าดีให้ผลดีชั่วให้ผลชั่วเมื่อความดีเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่การทําดีของเราเมื่อความที่มันไม่ดีเกิดขึ้นก็ล้วนแล้วแต่มาเหตุแห่งความไม่ดีของเราแค่นี้เองเมื่อมันเกิดขึ้นที่จะให้ผลกับเราเราก็ต้องยอมรับในขณะที่ยอมรับเราก็ต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรงมพระสงฆ์ ซึ่งพระองค์เป็นผู้ยอมรับกดแห่งธรรมชาตินี้โดยพระองค์เองพระองค์ก็ไม่ได้หลกนี้พองค์ก็กล้าเผชิญกับเหตุนี้ด้วยตัวของพระองค์เหมือนกันการระลึกถึงพระองค์ได้อย่างนี้จะทําให้เราทานวิถีแห่งความยากลําบากหรือความเดือดร้อนหรือผลแห่งความชั่วร้ายที่เป็นการส่งผลมาจากพบก่อ น, อนโดยที่เราไม่ต้องไปทุกกับมันมากแล้วมันก็จะยุติกันหมายถึงว่าเมื่อเวลาให้ผลกับชีวิตเราแล้วก็คือว่าเราได้ชดใช้ก็จบกันไปก็เลิกแล้วต่อกันไป ไปทํำพิธีกระจัดปัดเป่ามันเป็นยังไงมันไม่ได้แก้ไขเหมือนกับหนี้ไม่ได้ถูกใช้มันก็แค่ผัดถอนหนี้เขาก็ตามทวงอยู่เรื่อยเื่อยเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมก็ผ่านเข้ามาในชีวิตอีกแหละใช่ไหมมันแค่จะเป่าออกไม่ได้ทำลายมันไม่ได้แก้ไขมันก็มาอีกวนเวียนอยู่กับตัวเราอีกมันไม่ได้หายไปไหนหากเราโดยทดใช้เสร็จแล้วจบเนาะใช่ไหมเหมือนกับใช้หนี้แล้วเนาะเกิดขึ้นครั้งเดียวจบเสร็จผ่านไปได้มันก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเลบที่นี้ และแน่นอนว่าหากเจออีกเราก็ต้องใช้วิธีการเดิมอีกแล้ลึกถึงพระผู้ได้เจ้าพระธรรมประสมแล้วลึกถึงคุณงามความดีแล้วลึกถึงการปฏิบัติแล้ลึกถึงธรรมแล้วลึกถึงพระอริยเจ้าผู้ที่ท่านแม้บรรลุสิ้นอสวรรคเลเท่านก็เผชิญสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวของท่านเองโดยลําพังโดยที่มีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นเครื่องรองรับทางใจจะเผชิญกับสิ่งใดๆก็ตามจิตใจจะต้องตั้งมั่นเข้มแข็งไม่เกรงกลัว พุทธเจ้าสอนให้เราเป็นผู้กล้าหาญไม่ได้กลัวต่อสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับชีวิตของคนอย่าลังเลสงสัยในคุณงามความดีอย่าลังเลสงใสใังยส ใ, สในทางปฏิบัติอ ย, ใใอย่าลังเลสงใสัยในพระพุทธศาสนาอย่าลังเลสงสัยในมรรคนิพพานมรรคนิพพานยังมีอยู่ทางคนคุทยังมีอยู่เส้นทางเดินก็ยังมีอยู่ผู้ชี้ทางก็ยังมีอยู่หลักคําสอนที่คอยชี้แนะบอกเราตลอดเส้นทางที่ขณะที่เราเดินก็ยังมีคําสอนชี้แนะอยู่เราจะต้องไปถึงที่ แห่งความบนทุกคือทำกระแสแหลมปฏิพันธ์ธนให้แจ้งอันที่สคือเครื่องผูกอันหนึ่งที่ผูกใจเรามายาวนานคือการถือผิดอย่างงมงายประพฤติวัดผิดอย่างงมงายเช่นให้ทานแบบผิ ด, ผดใช่ไหให้ทานแบบผิ ด, ผดแบบงมงายงมงายคืองมงายแบบไหนถือตามๆกันมาเราเข้าใจว่าเอาเงินทำบุญแล้วจะได้บุญถ้าไม่เอาเงินทำบุญแล้วจะได้บุญได้ยังไง อันนี้ก็การถือผิดอย่างงม ง, งายผูกใจเราไว้อีกแล้วเราเข้าใจว่าทําบุญกระถินจะต้องนําเงินใส่เสียบต้นกล้วยเสียบต้นต้นเงินต้นทองไปให้พระไปถวายพระในในงานกระถินเนี่ยก็คือการถือผิดอย่างงม ง, งายเป็นเครื่องผูกอีกแล้วทำบุญพระป่าจะต้องแจกซองหรือดูการผระป่ามาหรือดูการกระถินมาซองในฟิวว่อนเลย คนหนึ่งนี่ได้ไม่ต่กวาสบหรื อ, รอยี่สิบซองก็มีนะคนหนึ่งงานไม่ลุกจีงงานผู้งานบุญประเทศไทยในงานบุญเยอะเหลือเกินเนาะแต่บุญไม่ผูกบุญก็เป็นบุญแบบงมงายก็ผูกอีกแล้วผูกใจสัตว์แล้วผูกใจมนุษย์ให้ติดอยู่ความงมงายให้ทานก็แบบผิดๆอย่างนี้ก็เป็นการผูกผูกไว้รักษาศีลก็รักษาศีลตามประเพณีก็ถูกผูกไว้อีกแล้วเป็นการประพฤติบัติผิดแบบงม ง, งายไม่ต้องไปรวมถึงประเภท ยึดถือของขังเครื่องลังเครื่องผูกเสกเหลขยันนะคือมันผูกในศาสตร์ของเผาแต่มันผิดจากหลักพุทธศาสตร์คนที่ถือพุทธศาสตร์อยู่ถือหลักตามพระพุทธเจ้าอยู่หากไปถือผิดอย่างนั้นก็คือว่าเป็นความงมงายเป็นศีลละพะตตปรมาตเป็นเครื่องผูกในจิตใจให้วนเวียนและติดข้องกับสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ผลจากความทุกข์ก็ยังมีความทุกข์อยู่แม้จะมีสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวก็เป็นแค่ความสุขที่ผ่านเข้ามา ไม่ถาวรเป็นความสุขที่ยังไม่พ้นจากทุกข์นี่คือเครื่องผูกเบื้องต้นถ้าใครทำลายเครื่องผูกนี้ได้บุคคลผู้นั้นจะสามารถสัมผัสกแแระแสแห่งพระนิพพานคนผู้นั้นจะทิ้งความเป็นบุรุชนไ ม, ไ, ไม่ได้อยู่ในวิสัยของบุถุชนจะเป็นพระอริยชนอริยบุคคลหรืออาริยชนชนผู้ถึงความจเจริญแล้วอริยคือความจเจริญมาจากคำว่าอริยนี่ะ ความเจริญเหมือนงานบุคคลผู้เจริญแล้วจเจริญด้วยอะไรจะเจริญด้วยปัญญาจเจริญด้วยหลักธรรมตามเหตุปัจจัยคนเราจะดีได้ดีด้วยเหตุปัจจัยแห่งการกระทําไมด่ดีเพราะการดุลบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งมีพลังอํานาจเหนือธรรมชาติคอยบันดาลให้กับเราไม่มีเราต้องใช้พลังกรรมพลังแห่งการกระทําของเรานี้เป็นเครื่องผักดันชีวิตเราให้ไปถึงผลแห่งความสําเร็จพลังแห่งกรรมนี้ยิ่งใหญ่กว่าพลังทุกพลัง เทวดาถึงแม้จะมีพลังแค่ไหนก็ตามเทวดาก็มีพลังด้วยอำนาจแห่งกรรมเพราะเทวดานั้นได้กระทํากรรมดีคือพลังแห่งความดีที่เขาได้กระทํานั่นเองเป็นพลังหมุนเนื่องเขาเหนืออำนาจศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ก็เกิดจากกรรมแห่งการกระทําที่เทวดานั้นได้กระทําความดีตั้งแต่ครั้งเป็นมนุษย์พรหมทั้งหลายมีอำนาจในความเป็นชั้นพรหมก็เป็นเพราะการบําเพ็ญคุณงามความดีหรือการกระทําดีในปัจจุบันในขณะที่เป็นมนุษย์นี้จึงมีพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในความเป็นพรหมได้ มนุษย์เราเองก็เหมือนกันเมื่อเทวดาก็ไปจากการกระทำดีในขณะที่เป็นมนุษย์พรหมก็ไปจากการกระทำดีในควาเป็นมนุษย์มนุษย์เองก็ต้องสร้างพลังแห่งความดีด้วยตัวของมนุษย์เองที่จะเป็นเครื่องผักดันให้ตัวเองหรือบันดาชีวิตเราให้สําเร็จด้วยการกระทํำของเราจะต้องไม่คอยร อ, รอคอยกันอะไรช่วยเหลือโชครอยลาภลอ ย, รลอยหรือการปากปักรักษาคุ้มครองจากสิ่งอื่นใด แต่จะใช้ใช้ความดีพลังแห่งกรรมซึ่งเป็นพลังที่ศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองเราแน่นอนว่าชีวิตเราจะต้องเจอสิ่งชั่วร้ายเราจึงต้องทําดีเพื่อเป็นเครื่องปกปักรักษาคุ้มครองพุทองค์เวล า, าเผชิญกับมนันผู้องค์ใช้อะไรปกปักรักษาพระองค์ตอนนั้นก็ยังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็ยังเป็นปุถุชนอยู่พระองค์ใช้อะไรใช้ความดีที่พระองค์ทรงทํา ม, มาตั้งแต่ปางก่อนนู่นศีลสงไข่นุ่นใช้ยังไงก็ระลึกถึงสิ คุณความดีบําบารมีที่เคยได้ทําเราทุกคนเคยบําเพนบรารมีมาแล้วทั้งนั้นเนี่ยแม้แต่มหาโจรก็ยังเคยบําเพนบรารมีในความดีกันมาเลยใช่ไหมล่ะพวกโจรกับโจรเนี่ยเวลาเขาโจรเวลาเขาอยู่ด้วยกันปกครองกันเนี่ยเขาได้ทรัพย์สมบัติมาเขาแบ่งทรัพย์กันก็แบ่งกันแบบเสมอกันนะขัดขาดเกินเกิ น, น, นไม่ได้ไม่ั้นก็ปกครองกันยากโจร น, นะเขาอยู่ด้วยกัน เขก็มีคุณธรรมของโจรมีน้ำใจของโจรพวกโจรเขาก็รักพวกปองเขาเองก็เป็นความดีในชั้นของพวกโจรถามว่าเอามาดียังไงยังไปพ้นเข้ามาก็การที่เขาไปพ้นเข้ามาคนที่ถูกพ้นแสดงว่าเคยพ้นเขามาก่อนมันเป็การสนองเวนต่อกรรมนันแหละสองเวนสนองกรรมต่อกันแต่การตั้งความเห็นหว่าไอโจร น, นี่เร็วเป็นความเห็นผิดนี่เป็นมิจฉาทิฐิใช่ไหมละ่ะความเร็วมันมีอยู่ทุกคนหากเราไม่เร็วเราจะถูกพ้นเลยเหรอ คนที่ถูกป่นแสดงว่าเคยสร้างเหตุแห่งการถูกป้นมาไว้ก่อนเย่างนี้เราก็บอกว่าโจนี้เป็นภัยต่อสังคมคนที่ผูกกระทําก็สร้างเหตุแห่งการถูกคุกคามมาก่อนมันมีเหตุปัจจัยสืบเรื่องเกี่ยวข้องกันมาโดยตลอดแล้วการที่เขามาป้นเราแน่นอนว่าเขาได้สร้างเหตุใหม่ในการถูกป้อนอย่างนี้ยมันมันเป็นวงจรแห่งวัฏฏะเมือ่อเมื่อบีนายอย่างนี้แล้ว เราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายโอ้มนุษย์การเกิดมานี่เกิดมาเพื่อชดใช้เบนเกิดมาเพื่อกระทําเบนตอบต่อกันเกิดมาเพื่อสืบต่อเบนหาที่สิ้นสุดไม่ได้ควรจะหาทางออกเพื่อพ้นจากความคุกจนเขาสามารถปฏิบัติตามหลักศาสนาแล้วไปถึงนิพพานได้ได้ใช่ไหมจนบรรลุธรรมก็มีใช่ไหมเขาบอกเขาชั่วเขาเลวขนาดนั้นทําไมเขาบรรลุธรรมได้ไอ้ชั่วไอ้เลวเราไปบัญญัติเองใช่ไหมล่ะ เราไม่รู้ว่าในขณะจิตของเขาบางทีมันมีคุณงามความดีบางคนโจรบางคนบารมีเต็มนะเอาจริงๆนะโจรโจรบางคนนี่ถ้าไม่เคยทําบุญมาก่อนนี่พ้นไครก็ไม่ได้เอาจริงๆแต่ว่าเขาเคยทําบุญมาก่อนเขาเพิ่งจะพ้นได้เยอะนะบางคนนี่ไม่มีบุญมาแต่ปางก่อนนี่พ้นก็ไม่สําเร็จบุกเข้าไปธนาคารจะไปพ้นก็ไม่สำเร็ จ, าาร จ, ปปรจโดนจับบ้านเนี่ยถูก อะไรถูกขัดขวางบ้างเนียเกิดเหตุอะไรที่มันไม่ดีบ้างแต่โจรคนไหนที่มีบุญมาแต่ปางก่อนเนโคตอะไรก็สําเร็จฆ่าคนก็ฆ่าได้ง่ายการฆ่าเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์แต่ก็เป็นไทยที่มนุษย์มองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีครูใหญ่ก็มองว่าเป็นไทยพวงจึงสันสอนในเรื่องของกาณปฏิบาติว่าไม่ดีอย่าบ้าแต่ข่ามนุษย์เลยฆ่าสัตว์ก็ไม่ดีเขาว่าไม่ดีนั้นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ดีกับคนที่ถูกฆ่านะ ไม่ดีสําหรับคนผู้ฆ่าอาทําไมถึงไม่ดีสําหรับผู้ฆ่าเพราะผู้ฆ่านั้นจะต้องไปสู่อาบายภูมิผู้ถูกฆ่าอาจจะไม่ตกนรกก็ได้อาจจะไม่ไปสู่อบายภูมิก็ได้แต่ผู้ฆ่านั้น่ะไปสู่อาบายภูมิหรือไปนรกเพราะนั้นผู้กับผู้ใดก็ตามมีกิจที่จะฆ่ามีกิจที่จะฆ่าชีวิตสัตว์เห็นชีวิตมนุษย์ไม่มีความหมายอันตรายมากสําหรับผู้กําลังจะทาําการฆ่าหรือบุ่งร้ายที่จะฆ่าคิดประทุสล้ายที่จะฆ่าตรงนี้ย การที่พระเจ้าบัญญัติไม่ได้ว่าเพื่อคุ้มครองมนุษย์ผู้ถูกผุ้คามแต่เพื่อสอนให้ผู้ค่าเกิดความสนึกในตัวเองโทษภายในภายภาคหน้ามันมีรออยู่แล้วอย่างน้อยเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าคนที่ทำอาชญากรรมอาชญากรเนี่ยจะต้องถูกจับเข้าคุกใช่ไหมล่ะมีโทษรออยู่เบื้องหน้าสูงสุดคือประหารเนี่ยมันก็มีให้เห็นอยู่แล้วแน่นอนเบื้องหน้าก็ต้องมีเหมือนกับว่า ชาตินี้ได้รับโทษแล้วไม่พอนะตายแล้วดวงจิตดวงวิญญาณนี้ยังมีโทษติดอยู่ในจิตไปสู่พบไปสู่ที่คุมขังไปสู่ที่ลงโทษไปสู่ที่เผาไหม้ทรมานอีกยืดยาวนานไม่ใช่เพียงแค่ครั้งนี้ฆ่าคนอาจจะใช้เวลาแค่ครั้งเดียวเวลาเดียวแต่การถูกทรมานในพบเบื้องหน้าทรมานยืดยาวนานมากโจรคนไหนไม่เชื่อกันแล้วแต่โจร น, นะไม่ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องของของความไม่เชื่อนะ แต่ทีนี้โจรเขาฟังเทศพู้เจ้าก็โอเคนะเาก็บรรลุทำไดแ้แต่ว่าเขาก็มีความดีในจิตมาก่อนเราจึงไม่สามารถประมาทใครได้ประมาทกันไม่ได้เคยอา่านหนังสืออยู่เล่มนึงไอ้คนคนคนนักโพษเขาเนี่ยมันจะรับโทษประหาก่อนที่มันจะถูกประหาเนี่ยเขาให้เวลาในการปฏิบัติ แล้วก็มีพี่เลี้ยงคอยคอยพยายามจะจะขอความเมตตาต่อสารเพื่อลดโทษลดหย่อนการประหารแต่สารก็ไม่ลดโทษแต่ก็มีวิธีเดียวคือเป็นให้ปฏิบัติธรรมในคุกไอ้คนเนี้ยมันก็สำนึกกตดีในคุกแล้วก็ปฏิบัติธรรมในคุกเห็นว่าปฏิบัติจนเข้าถึงความเป็นโสตบันเลยนะทีนี้เมื่อเขาจะต้องได้รับโทษประหารนี่นะพอได้รับโทษประหารไอ้คนประหารคือฆ่าพระยาเจ้าใช่ไหมพระโสตบันนะ ถามว่าคนคนที่สั่งประหารเนี่ยคือฆ่าพระเลยเจ้าโทดหนักไหมเห็นไหมคณาจิตของคนมันเปลี่ยนได้รจริงจริงๆแล้วกระบวนการแห่งยุติธรรมไมาต้องมั่งพีนะตรงนี้ ว, ว่าเขาสานึกถ้าเขาปฏิบัติทำเนี่ยเราควรที่จะให้โอกาสผู้เจ้าให้โอกาสเสมอใช่ไหมกับเบสแต่กับโจ้นะผู้เจ้าให้โอกาสเสมอถามว่าบางทีก็ให้โอกาสนะอย่างเช่นรับพระราชท า, านอภัยโทษออกมาก็ยังมาทําคดีเดิม แบบเดิมนิสัยเดิมไม่เปลี่ยนอันนั้นคือปล่อยมาโดยไม่ได้อบรมแต่ไอ้จาเนี้เขาถูกอบรมมาด้วยทางฝ่ายศีลธรรมนี่นะคุณธรรมเคยอ่านหนังสืออีเล่มนึงอะไม่จำไม่ได้แล้วเรื่องอะไรคร่าวๆโอ้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นก็มีในคุกใช่ไหมล่ะมันเปลี่ยนแปลงได้คนดีที่สังค่าก็กลายเป็นคนเลวได้ โจเข่าแดงโจรเข้าแดงอาจจะเล่าเรื่องโจรเข่าแดงให้ฟังโจรเข่าแดงเขาเป็นเป็นคนธมดาตาเหลือกเขานี่สีแดงมีกําลังมากมีพละกําลังพิเศษคือมีกําลังมากแต่หน้าตาของเขาจะเป็นหน้าตาคล้ายๆคนแปลกประลาดเหมือนปีศาจตาเหลือกตาเหลืองอะไรเงี้ยตาเหลืองตาแดงเอ๊ะเหลืองหรือแดงกันเนี่ยตาแดงคงจะไม่ใช่โรคตาแดงนะอาจจะแดงมาแต่กําเนิดอะไรพวกนี้ตาเหลืองตาเหลือก แดงอะไรประมาณเนี้ตามตําราเขาเขียนไว้ก็ไม่ใครก็ว่ากําพากับกำพะเนี่ยนี่แหละประมาณนี้แหละแล้วก็ไม่มีไปอยู่ที่ไหนใครก็ไม่ต้องการก็เลยไปอยู่กับโจรพอไปอยู่กับโจรออกก้นด้วยกันกับพวกโจรหัวหน้าโจรพอออกก้นด้วยกันเสร็จเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับได้โจรห้าร้อยคนพอจับได้แล้วเขาสั่งให้ประหารปรากฏว่า มันมันเยอะโจรมันเยอะประหารทีเดียวคราวเดียวมันจะไม่ได้หมดง่ายๆ่ายเขาก็ปะหารไม่มีความสามารถในการที่จะประหารให้หมดในคราวเดียวเขาก็เลยประกาศในหมู่โจรว่าใครสามารถตัดสีสระหมู่โจรด้วยกันได้โจรพวกมันอนะโจรพวกน้องโจรก็ไม่กลายย้าใช่ไหมนะไอไอ้ไอเข่าแดงเนี่ยบอกว่าเราสามารถพรอมีกําลังมากไงฟันฟันดาบเราไปฉับเดียวนะ่ะ คนอื่นนี่ต้องสองฉับสามฉับอะไรถึงจะขาดอันนี้เดี๋ยวมันกระตับต้นกล้วยมันก็ตัดเป็นม้าเล็ดเลยนี่นะฝึกฝึกโจรตายกันเป็นเบือทีนี้ไอ้นี่ก็เลยถูกแต่งตั้งให้เป็นนายเพชคฆาตให้เป็นผู้ประหารจัดการประหารโจรก็โจรคนไหนที่ถูกจับมาได้ก็ตัดคอตัดคอตัดคอ ก็เห็นโลนพ่อตัดคอกันมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลนี้ก็ยังมีหมดนะโจร น, นะเอ๊ะมันน่าจะหมดตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเลยใช่ไหมถ้ามไม่หมดโจรทําไมมันต้องมีทุกยุคทุกสมัยถามว่าปะหารหมดในยุคนี้อีกสิบปีข้างหน้ามีโจรไหมยอย่าว่าแต่อีกสิบปีเลยผู้นี้ก็มี <c oughs> คือไม่เป็นเรื่องปกติที่ต้องมีในโลกเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีโจรเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีตำรวจมีทหารนับเป็นเรื่องธรรมดา เอาไว้อะไรเอาไว้ขอเวียนกันแล้กันโอ้ทำไมอยู่จ้าที่โลกนี้เนาะเนี่ยเราก็เพียรณะอันนี้เป็นวิปัสสนาแล้วนะอ๋อมีความทุกข์เนี่ยคือทุกข์การเกิดการอยู่การใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้มีความทุกข์เราจะต้องกล้าพร้อมที่จะเจอกล้าพร้อมที่จะตายได้ทุกเมื่อเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีใครมามุ่งมา่ปราถนาร้ายต่อชีวิตของเราและเราก็ไม่รู้ว่าเราเคยสร้างเหตุแห่งการฆ่าต่อใครต่อใครมาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะ ทีนี้เมื่อเขาแต่งตั้งจนคนนี้ข้าเขาข้ามาจนอายุมากเคยฟันฉับเดียวแล้วขาดปรากฏว่าฉับลงไปในครึ่งหนึ่งไม่ขาดโอู้หมดแรงแล้วทีนี้ต้องสองฉับทีนี้ก็บอกโอ้ไม่ไหวก็เลยลาออกจากตําแหน่งเทศ ช, ชาาั้นข้าพอลาออกจากตาแหน่งเทศ ช, ชาาั้นข้าเขาก็ให้ปูนบําเหน็จให้บ้านสวยหลังหนึ่งให้ซับตัวบัตรโอซับสินเงินทองมากมายให้ตําแหน่งนชชายเทศาั้นเนี่ยเวลา ลาออกจาก ง, งานพอล า, อาจาก ง, งานเสร็จปับ๊บเห็นเช้าวันนั้นเห็นภาษาลีบุตรไปบินดาบมีอยู่ในบ้านพอเดินฐานบ้านก็เลยเรื่องไสโอ้ตั้งแต่เราเกิดมายังไม่เคยทําบุญเลยเราก็มีทรัพย์สมบัติอะไรเพียงพอแล้วทําบุญหน่อยพอไปทําบุ ญ, ทำ บ, ญทำบุญกับภาษารีบุตรภาษาลีบุตรก็เลย เ, เทศให้ฟังพอเทศให้ฟังภาษารีบุตรก็เลยรู้ว่ า, าจิตของโจนเนี่ยโจนก็คิดว่าไอเราเนี่ยบาปมากข่าคนมาตลอดทั้งชีวิตเลย เราจะมาฟังเหตุฟังธรรมเราฟังไม่รู้เรื่องหรอกว่าฟังเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วฟังไม่รู้เรื่องหรอเนี่ยก็จิตก็เลยไม่เปไปตามธรรมเทศนาพระสารีบุตรทราบกิริยาแห่งโจรคนเนี้ยว่าโอ้เขาฟังไม่รู้เรื่องพอฟังไม่รู้เรื่องพระสารีบุตรก็เลยถามว่าอท่านมีความตองบนใจเรื่องอะไรจงบอกเรามาโจนนี้ก็บอกว่าก็ค้าคิดอยู่ว่าข้านข่าคนมาตลอดทั้งชีวิต บาปพงอยเยอะแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงไม่สามารถที่จะมีกระจิตกระใจที่จะฟังธรรมจากท่านได้ท่านท่านเทศเรื่องบุญเรื่องบาปนะฟังยังไงมันก็โหเราบาปเราบาปเราบาปฟังไปทอดไหนอกูาบาปกูาบาปอะไรประเภทเนี้ยก็เลยไม่มีกระใจิตใจก็เลยกระสาบกระไซภาษาหลวงก็เลยคิดว่าเออเราจะต้องใช้อุบายกับโจรคนนี้ในในในเขาวแดงเนี้ยในเทศก่านเนี้ย บรรทึกนี้มีฟอร์มมาบรรทึกตามนี้อีกทีนี้ภาษาลิบุก็เลยบอกว่าการที่ท่านฆ่านะั่ะท่านถูกสั่งให้ฆ่าหรือท่านฆ่าเองโจดนี้ก็บอกว่าเขาสั่งให้ฆ่าโจทภาษาลิบุก็เลยว่าผู้สั่งฆ่าได้รับบาปแต่ผู้ถูกสั่งให้ฆ่าไม่ได้รับบาปบาปจะไปตกผู้สั่งให้ฆ่า โจนก็ดีใจขึ้นมาเลยทีนี้เขาเป็นอย่างนั้นเหรอท่านใช่สายลู่ก็เป็นอย่างนั้ น, น, ใ, น, งงนใจก็เลยดีขึ้นมาเบิกบานขึ้นมาพระสายลู่เลยเทศให้ฟังบรรลุธรรมปิโสดาบันบานไงเลยทีนี้ <c oughs> ทําลายเครื่องโสดาบันนี้คือทําลายเครื่องผูกสามประการได้ <c oughs> ใครที่สังฆ่านี่โหอันตราย จึงมีการพระราชทานละพยโสดมาตลอดไยก็น่าจะมาจากมูลเหตุนี่เพื่อไม่อยากจะฆ่าเพราะนั้นใครก็ตามที่เคยที่เคยอะไรส่งข้อความว่าไอเนี่ยต้องรับการประหารให้กดแชร์กดไลค์อะไรประเภทนี้นะไอนั่นแหละนักเนี่เราเตือนไว้อย่างนี้แหละว่าบางทีเราเผลอทําปานนติบาตรโดยไม่รู้ตัวโดยไม่รู้ตัวก็เป็นอย่างงี้ บางทีมันก็น่าสมควรฆ่าจริงๆนะแต่เราไม่ได้มองเหตุปัจจัยอีกเหตุปัจจัยนึ่งว่าคนคนนั้นก็สร้างเหตุแห่งการถูกฆ่ามาก่อนเนี่ยเราไม่ได้ค่อยใจเรามองแค่สั้นๆพวกสายตาสั้นเป็นอย่างนี้แหละแต่ผู้เจ้ามองการระยะเวลายาวไงมองอดีตตะการมองปัจจุบันตะการมองอนาคตตะการโปร่งโซมองมองทั่สามการเรามองการเฉพาะเฉพาะหน้าเนี้ยสถานรรรการณ์ที่เกิดขึ้ น, นมันก็แค่เราขาดปัญญาไม่มีเหตุผลหรอกนะ อ้าถึงไหนทีนี่นอกเลื่อมนมากเออไอ้ขาวแดงไอ้ขาวแดงบรรุทำเป็นโสดาบันก็ปลอดภัยแล้วคือจริงๆแล้วมันหากหากโจรหากมันคิดแต่อยู่ว่ามันบาปมันบาปมันบาปเนี่ยมันอภิญญ า, านี่เพื่องปิดกั้น <c oughs> เหมือนกับที่อาตมาพูดครั้งก่อนเนี่ย เราไม่น่าทําผิดอย่างนั้นเราไม่น่าทําผิดอย่างนี้โจรเกาวกาโทษแต่ตัวเองผีดอย่างนั้นนะยังไงก็ปิดกั้นมาผลปิดกั้นความดีพอไปคิดแต่ในฝ่ายที่มันไม่ดีอัตมาจึงบอกว่าคนเราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ทุกๆโอกาสทุกๆขณะมันเร็วตอนนี้อาจเปลี่ยนให้เป็นดีได้ทุกๆขกะเปลี่ยนได้เสมอขอให้ตั้งมั่นที่จะเปลี่ยนแล้วพอเข้าถึงความเป็นโสดาบันทาคุณงามพันดีอันนี้จะจะคงที่เลยทีนี้จะไม่ตกต่าอีก จะไม่เปลี่ยนจะมุ่งไปสู่ความหลุดพ้นในภายภาคหน้าโดยฝ่ายเดียวไม่เสื่อมอีกจากคุณธรรมที่ตนเข้าถึงเพราะฉะนั้นเครื่องผูกมีอยู่3าประการที่ผูกใจเราอยู่คือสังโยชนิเบื้องต่ำคือสั ก, สกยติทิฏิวิจิจิชาวศีลภัตตาปรามาตรสักยกิทิฏิความเห็นผิดในกายวิจิชาความลังเลสงสยัยศีลภัตตาปรามาตรความประพฤติผิดความหลงผิดประพฤติวัดผิดอย่างงมงายให้ทานผิด รักษาศีลผิดแม้แต่ติดการสวดมนต์ทำบัตรเนี่ยสวดมนต์คิดว่าสวดมนต์เกินอายุเองก็ตามก็เป็นศีลพระาตาปรามาถือผิดอย่างงมงายสวดชินบัญชรร้อยแปดจบก็เป็นศีลพระาตาปรามาถือผิดอย่างงมงายเอ๊พูดอย่างนี้กลุ่มที่เขาสวดกันจะด่าตมาหรือเปล่าเนี <laughs> ่ยอย่าด่ากันนะพูดให้ฟัง ว่ามันผิดจากหลักของพระพุทธเจ้าแต่จะถูกอาจจะถูกตามหลักที่เรียนเรียนเนี่ยสื่อพอดกันมาตามตามกันมาก็ทําตามกันไปอันนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่จะพูดถึงในหลักของพระพุทธเจ้าพูดถึงจุดยืนของพระุทธศาสนาทําสมาธิผิดก็เป็นศีละพตาปรามาสอนสมาธิกันบีบเบียบแบบผิดนะสอนวิปัสสนาผิดเจริญปัญญาผิดก็เป็นศีละพตาปรามา เขาบอกสอนจเจริญปัญญาผิดมีด้วยเหรอมีสิจเจริญปัญญาผิดทาไมจะไม่มีมีนะ้ะมันมีสำรวจดูเช็คดูตรวจสอบมาในในบางอะไรบางคาสอนที่มีการสอนโดยยกเอาหลักพูทธาสนาไปสอนแต่สอนผิดอันนี้ก็เป็นการสอนแบบผิดแบบงมงายทำให้คนถือผิดแม้แต่การยึดถือพระธาตุว่าพระธาตุ เท่านั้นจึงจะเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอริยเจ้านี่ก็เป็นถือผิดอย่างงมงายพระอธิธาต์ร่างกายแปลสภาพเป็นพระธาตุนะเอ๊ะไม่ใช่กระดูกอธิธาต์อย่าแปลเป็นธาตุคือเป็นอัญมณีเป็นแก้วเป็นพลึกเป็นอะไรไส์เนี่ยเขาบอกว่านั่นถึงถึงเป็นอรหันต์อันนี้การถือผิดอย่างเงี้ยก็เป็นศีลพระตรามาตเป็นเครื่องผูกใจเหียสังโยชน์ผูกจิตส่วนมากก็ฝ่ายวัดป่าเท่านั้นยึดถือกัน ผู้เจ้าไม่เคยตัดไว้ยังงั้นอธิธาตของผู้ทีเจ้าที่เขาขุดเจอในประเทศอะไรอินเดียอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานน่นะไม่ได้เป็นพลึกเลยไม่ได้เป็นแก้วไม่เป็นอัญมณีเลยนะสะดารของผู้ทีเจ้าไม่ใช่อรัหันนะทีเป็นกระดูกธรม ร, ธรมดาทำลายแห้งแห้งแห้งสนิทเนี่ยกระดูกเหมือนคนทั่วไปเนี่ยที่เขาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นความถือผิดอย่างงมงายมันเป็นสีลพัพตะปรามาทั้งนั้นเป็นความงมงายเป็นเครื่องผูกจิตนี่คือสังโยชน์เบื้องต่ําเบื้องบนขึ้นไปอีกคือการมาราคะปฏิฆะคือชั้นที่จะต้องกระทําให้มันละเครื่องผูกอันเนี้การมาราคะความพอใจปฏิฆะความไม่พอใจอย่างเงี้ยสูงขึ้นไปอีกคือรูปราคาอรูปราคะอุทธจฉามนต์อวิชชาเป็นชื่อของสังโยชน์เบื้องบนหเป็นเรื่องของพระอนาคามีจะต้องทำลายผู้เจ้าทรงตัดไว้ชัดเจนเป็นคําตัดไว้ตายตัวว่า บุคคลผู้ละสักายดิธิปิจิกิจชาศีลพระตปรามาตได้ชื่อว่าโสดาบันทำกรรมาราค่าปฏิฆาให้เบาบางได้ชื่อว่าเป็นสกตาคามีทำกรรมราค่าปฏิฆาให้ขาดออกไปจา ก, กจิตได้เป็นอนาคามีทำรูปราคะอรูปราชาอรูปราคะอุทธจักมานะมานะอุทธจักอาวิชาห้าเบื้องบนได้ขาดออกจา ก, กจิตออกจา ก, กจิตได้ชื่อว่า เป็นอรหันต์พวงตัดไว้ชัดเจนแล้วว่าละอะไรได้แล้วจะได้ผลยังไงได้ผลความเป็นส่วนระบัญส ก, กาดราคามียังไงเราจึงจะต้องไม่ไปละผิดที่อย่าไปละผิดที่ผิดตัวละเบื้องต้นความเห็นผิดในกายก่อนเมื่อละความผิดผิดในกายได้แล้ววิจิกิจชาศีลรัศีลรัตตาปรามาตจะถูกละเปเองอัตโนมัติเพราะเป็นกิเลสตัวเดียวกันเพราะฉะั้นสังโยชนเบื้องต่ำสามประการนี้ละตัวเดียวคือความเห็นผิดในกาย ใส่ใจในการพินากายอยู่เสมอพินากายแล้วพินากายอีกพินาย้ำแล้วย้ำอีกพินาให้เห็นกายเป็นของแยกกันอยู่ตลอดเวลาเส้นผมแยกออกขนแยกออกเล็บฟันหลังเลือดเอ็นกระดูกเยือในกระดูกม้ามหัวใจตับพังถือไตปอดใส่ายาใช้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลียนองเลือดมันเหืียมันข้นน้ำตาเปลียวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไผ่ก้อนน้ำปลาสาวาพินายแยกส่วนออกไปอย่าให้เห็นร่างกายนี้คุมส่วนกันเข้าหรือเป็นรูปร่างในความคิดของเราเราจะไม่ในความเห็นของเรานั้น ให้คิดและเห็นร่างกายแยกกันอยู่ตลอดไปนาอาวิชชาคือสิ่งที่หุ้มหอ่อปกปิดหรือสิ่งที่รวมตัวกันอยู่ปัญญาคือสิ่งที่แยกออกปัญญาคือความแยกแยกร่างกายออกเข้าใจไหมแยกออกมาแล้วมันก็เป็นของว่างี้ยถ้าเราเห็นร่างกายเป็นตนเราก็ยึดว่เาเป็นเราถ้าเราแยกร่างกายออกแต่ละส่วนความเป็นตนมีไหมไม่มี มันก็เห็นเอ้าเราจะเชื่อความมีตัวตนหรือความไม่มีตัวตนทีนี้มันก็มีมีความเห็นทั้งสองด้านอ๋อพอมารวมตัวกันจึงเห็นว่าเป็นเป็นสิ่งที่มีตัวตนเป็นสิ่งที่มีอยู่พอแยกคือเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏ ว, ว่าทั้ง2 อ, อย่างนี้ก็เป็นเพียงแค่การเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับของสภาพแห่งกายสังขาร น, นี้ก่อนที่จะมีตัวเราอยู่ในโลกมนุษย์นี้เราอยู่ที่ไหนเรามีไหมในโลกนี้ก่อนที่จะเกิดเนี่ย ไม่มีแล้วอีกร้อยปีข้างหน้าจะมีเราไหมอยู่ในโลกนี้เอาแล้วตัวเราอยู่ที่ไหนล่ะที่นี่ไม่มีแล้วไปอยู่ไหนกันอ่ะเราไม่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่เรามาลงว่ามีเข้าใจไหมเรามาลงไม่มีแต่เราไม่ไปปฏิบัติไปเจอความไม่มีเมื่อเราไม่ปฏิบัติไปเจอความไม่มีแล้วไม่ไปเห็นความไม่มีในตัวของเราเราจึงเห็นแต่ความมีความเป็นในกายเราจึงยึด ยึดในตัวตนเองของตัวเองเพราะนั้นการที่เราจะเห็นตัวเราได้ใครก็ตามเห็นตัวเองว่าไม่มีตัวนั่นคือผู้คนผู้เห็นตัวเองรู้จักตัวเองแต่หาบุคคลใดก็ตามเห็นตัวเองว่ามีตัวคนนั้นยังไม่เห็นตัวเองเพราะตัวของตัวเองก็ไม่มีนี่คือโดยหลักธรรมโดยเราทธเป็นอย่างนั้นนะแต่ความรู้สึกเหนียวแน่นติดอยู่กับตัวเราเนี่ยนี่ตัวเราไม่มีได้ยังไงก็มีตัวเรานี่นั่งอยู่นี่ นี่คือความรู้สึกดั้งเดิมอันนั้นคือสิ่งที่เหนียวแน่นแล้วก็ครอบนาเรามาตั้งแต่มันเกิดรู้สึกมาตั้งแต่มันเกิดแล้วก็จะรู้สึกไปจนถึงมันตายแต่พระอริยเจ้าท่านจะไม่รู้สึกอย่างนั้นท่านจะรู้สึกเพียงว่าร่างกายนี้เป็นที่อาศัยเพราะ น, นั้นเองเป็นที่พักพิงเหมือนเราเข้ามาอยู่ในศาลาเนี่ยเราสาเรารู้สึกได้ไหมว่าเรากับศาลาเป็นอันเดียวกันรู้สึกไม่ได้มันแยกกันอยู่แล้วออ ต, ตัวโนบะเพราะเราเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออก จิตเราเดี๋ยวก็เข้ามาอยู่ในร่างกายนี้เดี๋ยวก็ออกใช่ไหมอีกอีกห้สิปีข้างหน้ายังอยู่ได้ไหมละ่ะมันต้องออกไปใช่ไหมจิตเนี่ยออกไปแล้วก่อนที่จะมาอยู่ในร่างกายนี้ไปอยู่ที่ไหนมาก่อนจะจะมาเข้ามาอยู่นี่ก็ไ ม, KNOW ไม่รู้อีกอ่ะเห็นไหมล่ะ <c oughs> แล้วเราจะมาเหมาเอาว่าร่างกายเป็นตัวเรา <c oughs> เป็นอันเดียวกันกับเราได้ยังไงเป็นเพียงแค่ที่อาศัยเข้ามาเดี๋ยวก็ออกใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวก็ออกไปจากสล า, านี่ต้องแบกสล า, า, ส า, าไปด้วยไหม แบกไปไม่ได้จะเอ า, ายนี้ไปสู่พบหน้าได้ไหมไม่ได้แต่ความเห็นที่ยึดถือในกายจะไปสร้างพบสร้างกายใหม่ในพบเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่มันมนุษย์ไม่เข้าใจหลักการนี้เมื่อมนุษย์ไม่เข้าใจก็หลงกิจยึดติดอยู่เป็นสังโยชน์ผูกิผูกใจเราอาละอธิบายสังโยชน์ย่อๆยอยอแค่นี้สังเกตมีโอกาสค่อยฟังแบบละเอียดพอสมควรแก่เวลาเอวัง มีใครถามไหมในนี้มีถามไห ม, ไมถ้าถ้ามีจะได้ตอบถ้ามไม่มีก็จะยุติแต่เพียงเท่านี้ไ ม, ไม่มีนะ